เงืงไหมหวงืงไหมอืมแต่ก่อนเคยให้ประคำไปทิ้งกันไปหมดยังหอใครได้ใช้มั่งไหมหืได้ใช้มัางไหมใช้เป็นมันก็เป็นสติปัฏฐานนะถ้าใช้เป็นก็เป็นสติปัฏฐาน เปิดแล้วใช้เป็นมันก็เป็นสติปัฏฐานถ้าใช้ไม่เป็นมันก็เป็นสมถะแต่อย่างพวกเรานี่ได้หมดถ้าใช้ไม่เป็นสมถะก็เป็นสติปัฏฐานเพราะถ้าภาวนาด้วยจิตที่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้ จิตเกาะกายมีกายเป็นฐานที่ตั้งของสติก็เป็นสติปัฏฐานแต่ถ้าเน้นที่คำบริกรรมให้จิตเกาะอยู่กับคำบริกรรมก็เป็นสมถะได้ทั้งหมดซึ่งถ้ายามที่เราใช้ชีวิตข้างนอกอตมามองว่าก็เป็นตัวช่วย ให้จิตมันได้พักซึ่งถ้าเราใช้อานาอานาปานสติคือลมหายใจเนี่ยในชีวิตจริงพอเราตื่นนอนในระหว่างวันเนี่ยีิบสี่ชั่วโมงเราควรจะมีจิตที่จะไปรู้ลมหายใจเพื่อเพื่อให้ภูมิจิต ตกไปเป็นอัจ ช, ชตังสุสมาหิโตหมายความว่าให้จิตได้มีประสบให้จิตได้มีโอกาสอยู่กับความเป็นหนึ่งของอารมณ์ที่เป็นกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นสติปัฏฐานแต่เราศึกษาอนาปานาสติเราควรจะมีจิตที่รู้ลมหายใจอยู่บ่อยๆเป็นหลักเช่นตื่นนอนตอนเช้าก่อนที่เราจะทำอะไรทั้งหมดในชีวิต ก็ยกจิตเข้าไปที่ลมหายใจก่อนสักคู่สองคู่สามคู่ให้ก็ได้รู้ลมหายใจก่อนสองสามคู่ลมหายใจเราก็เสร็จแล้วเราก็เก็บจัดเตียงนอนตัวเองไปล้างหน้าแปลงวันทำอะไรเพราะมันมีจังหวะให้ได้อีกเครื่องหน่อยก็เอาสักคู่สองคู่ เมื่อกี้ตอนเช้าที่ลองให้พวกเรานั่งรู้ลมหายใจและควังทำได้ไหมได้ใช่ไหมเออเห็นไหมแต่ถ้าไม่เคยฝึกมาก่อนมันจะไม่ได้นะถ้าไม่เคยฝึกมาก่อนมันจะไม่ได้มันจะกลายเป็นว่าเอา้าตกลงจะให้รู้ลมหายใจหรือจะให้ฟังกันแน่ฉันไม่รู้เรื่องนะแต่เมื่อเราฝึกรู้ลมหายใจไปสักระยะหนึ่งเราจะรู้ว่า จิตที่รู้ลมหายใจอยู่นั้นในขณะในขณะที่รู้ลมหายใจสามารถที่จะทําอย่างอื่นได้ด้วยสามารถที่จะทําอย่างอื่นได้ด้วยแล้วก็ได้ดีด้วยนะสังเกตที่ถามว่าเมื่อเช้าที่นั่งฟังธรรมะที่ให้ว่าเป็นธรรมะตั้งต้นมีกี่อย่างเนี่ยตอบได้เกือบทุกคนเคยรู้มาก่อนไหมเอาถามจริงที่ว่าตอบว่าเจ็นอะเคยรู้มาก่อนว่า ฮไม่และเคยรู้ไหมว่าเขาคือตมัมมาตั้งต้นเออก็ใช่ได้ทีนี้ก็เหมือนกันในชีวิตเราในระหว่างวันตื่นเช้าขึ้นมาก่อนที่เราจะทำอะไรเราควรได้ลมหายใจสักสี่ขามคู่สี่คู่ห้าคู่แล้วแต่ที่จะได้นั่นก็รู้ไว้จุดหนึ่งแล้วนั่นเป็นจิตตั้งต้นด้วยจิตที่รู้ เราไปทำธุระอย่างอื่นรู้สึกว่าพอเพลอปั๊บก็มารู้ลมหายใจอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวกินปลาเสร็จล้วก็รู้ลมหายใจมันจะให้ประโยชน์กับการใช้ชีวิตมากหนึ่งและสองมันจะให้เราไม่ห่างไม่ห่างจากสติมันจะไม่ให้เราห่างจากสติได้แล้วก็ พอเสร็จจะขึ้นรถออ ก, ก่อนออกรถทำจนมันบ่อยเข้าบ่อยเข้าในที่สุดมันจะเตือนเองมันจะรู้เองว่าเราจะทำอะไรเราก็ควรยกจิตเข้ามาสู่ลมหายใจก่อนเราจะทำอะไรเราควรยกจิตเข้ามาสู่ลมหายใจก่อนแล้วมันจะเกิดวัศถีคือความชํานาญมันจะชํานาญเออ มันจะมานั่งฟังทำหรือจะไปทํางานนั่งเขียนหนังสือนัง่งฟังบรรยายมันสามารถที่จะให้จิตมาอยู่พร้อมอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็ทําสิ่งนั้ น, น, นมันให้จิตมาอยู่พร้อมกับที่ลมหายใจแล้วก็ทําสิ่งนั้นนั้นในยามที่คนอื่นเขารออะไรก็ตามเราจิตเราเป็นไงไม่ดิ้นรนกับสับก์สายเพราะอะไรเพราะมันจะไปอยู่กับลมหายใจ จนในที่สุดทำอย่างนี้บ่อยๆจิตจะมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักละทีนี้เขาจะมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักซึ่งต่างกันมากจิตที่ไม่มีเครื่องอยู่หลักที่เป็นเป็นรูปเป็นนามเนี่ยต่างกันมากกับจิตที่มีเครื่องอยู่หลักจิตที่ไม่มีเครื่องอยู่หลักมันก็จะต้องไปตามอำนาจของกิเลส เพราะกิเลสมันยึดพื้นที่อยู่การที่จะให้จิตมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักได้เนี่ยนั่นหมายความว่าโราต้องรุกพื้นที่ของจิตเราคืนมาแล้วเพื่อให้จิตมาอยู่กับลมหายใจได้ถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้บ่อยๆอยจะประกอบไปด้วยประโยชน์มากเกิดเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันทุกๆเรื่องมันสามารถให้จิตมาตั้งต้นที่ลมหายใจ แล้วก็ทำสิ่งนั้นๆด้วยสติได้สบายได้ง่ายขึ้นรอบคอบขึ้นพอจิตตั้งต้นที่ลมหายใจมันพร้อมแล้วเนี่ยเวลามันจะทำอะไรสิ่งที่มันจะออกมาเน่มันจะออกมาตัวแรกก็เรียกว่า ปัญญามันจะมามองเรื่องที่จะทำกว้างรอบคอบไกลพอมันมองเสร็จแล้วมันมองเสร็จแล้วมันได้เขาเรียกว่าบทสรุปที่เป็นสมมุติฐานของการเรียนรู้ในเรื่องเรื่องนั้นที่เรียกว่าเป้าหมายหรืออะไรก็แล้วแต่กรอบของมันก็แล้วแต่แต่มันมองด้วย ด้วยสติหลังจากนั้นมันก็จะทำให้เกิดความจริงจังเอาจริงเอาจังความมุ่งมั่นที่ชื่อว่าสัจจะในเรื่องนั้นในเรื่องที่จะทำในนั้นอันในเรื่องที่จะทำแต่ละเรื่องจากการที่จิตเข้ามารู้ลมหายใจมาตั้งทักพักอยู่ที่ศูนย์มีมีลมหายใจเป็นเครื่องพักแล้วก็ไปจะทำเรื่องอะไรในเรื่องที่จะต้องทำนั้นมันจะมี ขบวนการอยู่สี่ขั้นอยู่ในนั้นโดยบางทีเราก็ไม่รู้หรอกเราไม่จำเป็นต้องไปใช้มันเราไม่จำเป็นต้องจำเพื่อที่จะต้องไปใช้มันแต่ว่ามันจะเกิดการกระทำที่มีองค์ประกอบสี่ประการคือหนึ่งมันจะมีปัญญาที่จะรอบคอบในการมองสิ่งนั้นจะผิดพลาดน้อยประการที่สองมันจะมีการเอาจริงเอาจังมีการใส่ใจเป็นกรณีพิเศษ อยู่ในนั้นและสามมันจะรู้ว่าอะไรก่อนอะไรหลังคือพอมันใส่ใจอย่างนี้แล้วมันจะรู้อะไรก่อนอะไรหลังเพราะมันจะสละมันจะสละมันจะสลัดในสิ่งที่ไม่ใช่ในเวลานั้นออกไปเรียกว่าจากะแล้วมันก็จะ สยบมันจะสยบมันจะสร้างความสหบโดยตัวมันเองเพื่อเพื่อให้การทำในเรื่องนั้นๆมีคุณภาพได้ความรู้สึกที่มีต่อการกระทำมันตรงกันความรู้สึกที่มีต่อการกระทำ มันตรงกันเพรา ะ, ะนั้นข้อสำคัญในการนำสติไปใช้ใพระพุทธเจ้าจะพูดถึงประจำวสโตสโตสโตคือมีสตินี่หมายความว่าเราจะต้องฝึกจนกระทั่งจิตมีเครื่องอยู่ที่เป็นสติประฐานเป็นกายเป็นใจก็คือกายกับใจเนี่ย ซึ่งลมหายใจก็เป็นหนึ่งในนั้นหรือเราใช้การเคลื่อนไหวหรือถ้าใครถนัดเรื่องการดูท้องพองยุบมันก็วิ่งเข้าไปสู่การกระเพื่อมของท้องการยุบของท้องที่ความถนัดแต่ลมหายใจนี่เหมาะสุดเพราะมันง่ายเดินเราก็หายใจ นั่งเราก็หายใจนั่งเก้าอี้เขหายใจนั่งพื้นก็หายใจทําอะไรมันก็หายใจไม่หายใจไม่ได้กาลมหายใจถ้าทําให้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักของจิตแล้วมันจะง่ายมันเหมือนกับถ้าเราอยู่ที่บ้านเราจะมีห้องนอน เป็นห้องหลักส่วนห้องอื่นๆนั้นมันไปตามวัตถุประสงค์เราไปห้องครัวเพราะเราจะต้องไปทํากับข้าวใช่ไหมเราจะต้องไปหุงข้าวเราไปห้องทานอาหารเพราะเราจะต้องไปกินข้าวมันมีวัตถุประสงค์ของมันอยู่เราไปห้องรับแขกเพราะเราจะต้องรับแขก เราไปห้องหนังสือเพราะเราจะอ่านหนังสืออย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ามันมีวัตถุประสงค์ของมันอยู่เราไปห้องน้ําเพราะเราจะใช้ห้องน้ำํำ ม, มันมีวัตถุประสงค์แล้วสุดท้ายเราไม่ไปไหนแล้วเราจะไปห้องนอนเพราะเราต้องการปักห้องนอนจึงเป็นห้องหลักเหมือนเหมือนกับชีวิตเราจิตที่มันไปเสวยอารมณ์ในเรื่องราวต่างๆก็ช่างเขาแต่ จิตจะมีเครื่องอยู่หลักของเขาในกรณีที่เขาไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นก็คือลมหายใจเราต้องฝึกเขาให้ได้อย่างนี้เราต้องฝึกเขาให้ได้อย่างนี้เพราะฉนั้นตื่นนอนตอนเช้าปั๊บเอาส ก, ก่อนเลยสามคู่สี่คู่ให้จิตได้สัมผัสกับลมหายใจเพราะว่าเวลาจิตรู้ลมหายใจเนี่ยสังเกตไม่มีการปรุงแต่งเป็นอนิสิตะไม่มีตัณหาไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิ หรือใครรู้ลมหายใจไปด้วยแล้วจะฆ่าคนด้วยมีไหมถ้ามีแสดงว่ามันไม่ได้รู้ลมหายใจมันหลุดออกไปปรุงแล้วในขณะที่จิตรู้ลมหายใจสามคู่สี่คู่แล้วเราก็ไปทํางานทําการเสร็จแล้วเราไปทำแล้วก็เอาอีกสักคู่สองคู่ทำทำทำทำเสร็จเอาสักคู่สองคู่ดึงเขากลับมาทำทำทำดึงกลับมาคู่สองคู่ตัวที่จะช่วยจะช่วยให้จิตได้ได้ความ ลุ่มลึกกับลมหายใจคือการรู้ลมหายใจหยุดตอนฝึกนะตอนฝึกที่เรารู้ลมหายใจหยุดพอเราลมหายใจยาวออกยาวกลางกลางยาวสุดปั๊บไม่มีลมเคลื่อนลมเข้าไม่มีลมออกไม่มีนิ่งอยู่นั้นให้จิตมันใส่ใจลงไปเพื่อที่จะรู้ ว่าขณะ น, น, นี้ลมหายใจหยุดเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าเรียกสิกขิคือการศึกษาศึกษาการหยุดของลมหายใจไม่มีลมนึกก็นี้ลมหายใจมันหยุดเวลาเรารู้ลมหายใจหยุดเราก็สามารถที่จะให้ลมหยุดนานจนกระทั่งมันศึกษาได้จบแล้วก็หายใจเข้าไปหายใจเข้าเสร็จมันรู้สึกอึดอัด ไม่สามารถที่จะศึกษาลมหายใจหยุดได้ก็ปล่อยลมหายใจออกมาพอมันหายใจเข้าหายใจออกได้ถนัดศึกษาลมหายใจหยุดพอเราศึกษาลมหายใจหยุดนานๆจิตจะอุดอัดเพราะว่ามันต้องการลมหายใจเข้าไปแล้วใช่ไหมพอลมหายใจเข้าไปปั๊บจิตก็รู้ลมหายใจที่ไหลเข้ามันเป็นงานที่จะผูกระวังสติกับลมหายใจทาอย่างนี้บ่อย ในที่สุดเวลาเราไปใช้ในชีวิตประจำวันมันสบายมันคล้ายๆกับว่าเราเออกคนไปฝึกวิ่งบนหาดทรายอะบนชายหาดที่มันมีทรายใช่ไหม้โหมันวิ่งยากนะมันวิ่งบนหาดทรายเนี่ยวิ่งยากนะแต่ทำไมไอ้พวกที่ไปฝึกวิ่งบนหาดทรายเวลามาวิ่งแข่งในรูปปกติมันชนะเาอา เพราะเวลาวิ่งบนหาดทรายนี่มันวิ่งยากมันวิ่งลำบากมันหนักเพราะเท้าที่น้ำหนักที่กระแทกมันพื้นมันลุ่มอะ่ะแต่พอวิ่งนั้นบ่อยๆเข้าพอมาใส่รองเท้าแล้ววิ่งบนพื้นปกติจะวิ่งได้เร็วจะเบาก็เหมือนกันเวลาเรารู้ลมหายใจหยุด <c oughs> ศึกษาลมหายใจหยุดจ จนมันอึดอัดแล้วก็ปล่อยลมหายใจเข้าไปลมหายใจเข้าไปเราศึกษาลมหายใจหยุดให้จิตมันรู้ชัดในความหยุดของลมหายใจถามว่าศึกษาอะไรลมหายใจหยุดก็ให้จิตมันเกิดความรู้คาว่าคำว่ารู้นี่หมายความว่าให้จิตมันเกิดความรู้ในการที่ลมหายใจมันหยุดแล้วก็ปล่อยลมออกมาให้จิตมันเกิดความรู้ในการที่ลมหายใจมันหยุดแล้วก็หายใจเข้าไป ให้จิตมันเกิดความรู้ในการที่ลมหายใจมันหยุดแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกมาเพื่อจิตจะได้มีความผูกกับลมหายใจข้อปฏิบัติการปฏิบัตินั้นสามเรื่องที่มีความสำคัญคืออุปนิสยัยอารักขะและอุปนิพัตตะอุปนิสัยคืออุปนิสัย คือการสะสมสะสมสะสมทำไว้บ่อยๆทาไว้บ่อยๆแล้วก็เนี่ยที่มาด้วยกันอยู่อย่างนี้ก็เป็นอุปนิส ย, ยะเป็นอุปนิสัยที่เคยมีมาแต่เก่าก่อนคนที่ไม่เคยมาเลยเป็นครั้งที่หนึ่งถ้าบัตรขาวก็สแสดงว่าในอดีตเราก็เคยมีอุปนิสัยกันแต่วันนี้ไม่มีมีแต่บัตรน้าเงินก็สแสดงว่ามันมีอุปนิสัยที่ทาสั่งสมกันมาหลายครั้ง นี่อย่างหนึ่งต้องเคยทำมาแล้วประการที่สองอารักะคือการรักษาอินทรีย์การควบคุมการพูดการนั่งการเดินซึ่งเราก็มีแล้วแต่ตัวสำคัญคืออุปนิพทะคือการรู้จักผูกจิตไว้ในอารมณ์อารมณ์ที่เป็นกายเป็นใจเนี่ยที่ให้พวกท่านมานั่งฝึก ผูกจิตไว้กับลมหายใจก็เพื่อนี่แหละเพื่อมันเกิดความชํานาญศึกษาจนมันเกิดความจิตมันเกิดความรู้ในการลมหายรู้จิตเกิดความรู้ในการลมหายใจออกจิตเกิดความรู้ในขณะที่ลมหายใจเข้าจิตเกิดความรู้ในขณะที่ลมหายใจมันหยุดมันไม่ไปไหนเลยมันคอยอยู่กับลมหายใจลมหายใจมาเป็นเหมือนลูกฟุตบอลที่อยู่ที่เท้า่ะ เลี้ยงไปเท้าซ้ายมัง่งเท่าขวามัง่งแล้วยาวมัง่งสั้นมัง่งแต่กันไปแต่มา ไ, ไม่หลุดไปไหนเลยเลี้ยงอยู่นั่นอ่ะอืมอมเหมือนกันเมื่อเรามีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักที่นี่ในชีวิตประจำวันของเราก็สบายที่ถามว่าง่วงไหม วันนี้กะว่าไม่ต้องเดินจะให้นั่งต่อตอะอไม่ต้องเดินจะให้นั่งต่อวันที่สิบหกเป็นวันอาสารหาบูชานะเราลูกพระพุทธเจ้าจะต้องไปทำอะไร ฮะไปทำกิจจั ก, กรรมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาที่วัดก็จะมีตั้งแต่หนึ่งทุ่มทำวัดเย็นเจริญพระพุทธมนตด ธ, ธรรมจกกักรกะปวตนาสูตรแล้วก็มีเทศเทศเสร็จแล้วก็เวียนเทียนแล้วก็จบ เราไปได้เราจะต้องไปเราทำได้เราจะต้องทำกิจกรรมแบบนี้อันนี้เป็นข้ออารักขาของคนปฏิบัติอารักขาคือการรักษาอินทรีย์ไปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาไปเพื่อที่จะให้จิตมันน้อมเข้าไปหาพระตนะไตร <c oughs> และเรายังคงต้องไปก่อนไปจนจิตมันเกิดโสตาปฏิกังคะถึงตอนนั้นก็ไม่ต้องให้ใครมาแนะนำมาบอกแล้วโสตาปฏิกังคะองคสีเป็นความเชื่อของพระโสดาบันสี่อย่าง อนนั้นไม่ต้องบอกแล้วมันจะตวินหาเองไปเองถ้ามันไปไม่ได้นะมันก็จะทําอยู่ที่บ้านนั่นแหละโสตาปฏิกันคะหนึ่งมีความศรัทธาอย่างไม่วันไหวในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์และอีกอย่างหนึ่งคืออะไรฮะมีความเชื่อชนิดที่ไม่วันไหวในเรื่องกรรมและผลของกรรม องค์ประกอบของความเชื่อสี่ประการของผู้ที่เป็นโสดาบันเชื่ออย่างนี้มีความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้ามีความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวในพระธรรมมีความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์มีความเชื่อที่ไม่วไหวัวนหวนวว่นไหวในเรื่องกรรมและผลของกรรมถ้าใครเคยได้อ่านประวัติหลวงปู่หลวงพ่อบางรูป บ, บางท่าน ที่ทนเดินทูดองปฏิบัติภาวนามานานแต่บางองค์เมื่อก่อนก็เป็นพราหมณ์ก็มีเป็นคริสก็มีนะคือก่อนที่จะมีความเชื่ออันไม่วันไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันก็เชื่อเรื่องอื่น อ, อย่างเรามีบ้านซื้อบ้านราคาหลังหนึ่งยี่สิบล้านอยู่กันพ่อแม่ลูกดีไมด่ดีมีปู่มี มีปู่มียา่าอยู่กันโอ้ยสบายมีความสุขวันหนึ่งมีคนบอกว่าอยบ้านเธอห่วงจุ้ยไม่ดีนะไอด้ดีไม่ดีปู่ของเราอายุเก้าสิบห้าแล้วเราก็ทักขึ้นมา2องสามวันแก่ๆเข้าโรงพยาบาลแลแ้วแกก็เสียชีวิตไปเราก็โหแย่แล้วเว้ยเป็นไงหวั่นไหวยัง วันไหวแล้วจนเขาบอกวโอ้ยต้องแก่นะเนี่ยต้องเอาไอ้นั้นมาตั้งข้างหน้านี้ต้องปลูกอย่างนี้ต้องทําน้ําตรงนั้นทําน้ําตรงนี้เสียไปอีกเป็นแสนเรายอมไหมยอมเพราะวันไหวแล้ววันไหวแล้วแต่โสตมาปฏิจจังคะความเชื่อที่มีต่อพระพุทธเจ้าซึ่งไม่วันไหวแล้วมันจะไปสุดอยู่ที่พระพุทธเจ้าไง เขาไม่ออกเขไม่ทำเขาจะยิ้มแล้วก็ก็วางเฉยยิ้มเสร็จแล้วก็รู้เฉยยิ้มเสร็จแล้วก็รู้เฉยก็ไม่หวั่นไหวก็ไม่ตื่นเต้นท่านเราจะเห็นคําที่เราสวดบนกันนติเบสรนังอัญญงพุตโตเบสรนังวรังเคยได้ยินใชนี่คําแต่งใหม่นะแต่เราจะต้องนํามาสวดเพราะอะไรเพราะผู้ที่เขาแต่งเนี่ย เขเกิดความรู้สึกเลื่อมใสเชื่อในพระพุทธเจ้าชนิดที่ไม่หวั่นไหวเลยถึงแต่งออกมาได้อย่างนั้นนัตติเบสรังอัญญงที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทโธเบสรังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านัตติเบสระงอัญญ์ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีธรรมโธเบสรังวรังพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าอืม สัง่งโคนัตติเบนังสังโคเบสนังวรังเนี่ยว่าที่ผื้อืนของพระพิจารณีพระสงฆ์เป็นที่อยของเจ้าเนี่ยในประรัตนาตร์ใไม่หวั่นไหวแล้วแล้วก็การอธิษฐานของคนบางคนที่มีความเชื่อในพระพุทธเจ้าแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้ยมีอิทธิฤทธิ์เนาะที่เขแต่งไว้นัตติเบรสรนังอัญังพุทโธเบสนังวรัง เอเตนะสัจวัตเชนะสุิเตโหตุสัพปธาเช่นคนที่มีความเชื่อในพระพุทธเจ้ามากๆแล้วเนี่ยไปถึงเจอคนที่ไม่ค่อยไม่ก็ ม, ม, มีทุกข์อะแล้วเราเกิดความเบืตาแต่เราไม่รู้จะช่วยเขาอย่างไงสอนเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องพูดก็ไม่รู้เรื่องแต่เราไม่มีอะไรงไงเวทมนกาถาอะไรเราก็ไม่มีเพราะเรามีพระพุทธเจ้า ใช่ไหมเรามีพระรัตนตรยัยเขาก็อ้างเนี่ยพุทธนัตติเบสรังงานอย่างที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไหมมีพุโทโธเบสรังวรังพระเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเจนะด้วยการกล่าวคํำสักนี้หมายถึงว่าพระพุทธเจ้ามีคุณจริงและใจของเรานั้นมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆริงนะเรียกว่าข้างในก็รู้สึกและข้างนอกก็มันเป็นจริงอยู่แล้วแหละแต่ข้างในก็รู้สึก เอเตนะสัจวัชนะด้วยการกล่าวคำจริงนี้ ส, สดทิเตโหตุสัพพะะขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านเถอบางคนมันหายเลยเพราะไม่มีอย่างอื่นมีแต่วพระพุทธเจ้าอ้างปรัรัตนตรัใจเฉเลยที่เขาแต่งแต่งไว้แต่ละคำที่เราจะที่เราจะต้องนำมาใช้มาสวดกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นบุกอารักขะการปรับแต่งอินทรีย์ให้กับใจตัวเราเอง วันเรืร่องการฝึกฝนจิตการเจริญจิตโดยการใช้อานาเราจึงจําเป็นจะต้องใช้ชีวิตในระหว่างวันอยู่กับลมหายใจไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พอเราทําไปบ่อยๆเราจะรู้เลยถ้าฟังอธรรมาพูดตอนนี้เราจะรู้สึกว่าแมมบางทีนะไปซักผ้าเนี่ยมันจะไปรู้ลมหายใจมันก็ดูกระไรอยู่นะไปอยู่ในห้องน้ําเนี่ย มันจะไปรู้ลมหายใจอยู่มันต้องรู้อะไรอยู่นะเพราะเรายังไม่เป็นนะแต่พอเราใช้เสร็จเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเมื่อเช้าให้ลองนั่งควังเทศพูดเสียงกรอกหูอยู่แต่ให้รู้ลมหายใจไปด้วยถึงถามไงว่าทำได้ไหมเออนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งสำหรับพวกที่รู้ลมหายใจไปเรื่อยเรื่อยเรืยรื่อยรื่อ ย, อยสังเกตไหม ว่ารู้มันขยายไปอันนี้ระดับปกตินะสังเกตไหมว่ารู้เรามันขยายไปไม่ใช่หลุดออกไปนะมันยังอยู่กับลมหายใจแต่มันยังอยู่กับตัวมารู้ตัวด้วยถ้าตราบใดที่เรารู้ลมหายใจได้และจิตมารู้ตัวไปด้วยไม่ถือว่าผิดนะ อย่าเข้าใจว่าเฮ้ยเรามันผิดไม่เหมือนที่หลวงพ่อพูดเลยมันไม่ผิดเพราะตัวคืออะไรตัวคืออะไรอ่ะฮะตัวคือกายลมหายใจละ่ะลมหายใจก็คือกายตัวคือกายลมหายใจก็คือกายแต่ถ้าใครที่รู้ลมหายใจอยู่พอหลวงพ่อพูดอย่างนี้พยายามจะไปรู้กายด้วยอย่าทา แต่ถ้าว่าเรารู้ลมหายใจอยู่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกและรู้นั้นในขณะที่มันรู้ลมหายใจมันรู้ไปหมดเลยรู้ไปที่กายด้วยรู้ไปด้วยรู้ไปด้วยก็ไม่ใช่ถือว่าผิดนะมันไม่ใช่เป็นการปรุงแต่งมันเป็นการเป็นการขยายของรู้ไม่ถือว่าผิดยังรู้กายอยู่เป็นกายยาคัสสิกายยาคกายยะคตาสติเหมือนเดิม